ข้อความในคัมภีร์คุถการนิกายพุทธวงศ์นี้มาขึ้นวงของพระปุษสะพุทธเจ้าที่18เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ที่18ที่พยากรณ์พระโพธิสัตว์ของเราว่าจะเป็นผู้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าปุษสะเนี่ยนะถ้าบางแห่งท่านใช้คําว่าโุสะเนี่ยนะพอเพิ่งอะนะพอเพิ่งโสะอุเป็นพุษตะก็มีเป็นปุษตะก็มี เกี่ยวกับเรื่องรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องชื่อนั้นสามารถเรียกได้หลายอย่างอันนี้เราก็เป็นเรื่องที่เราไม่ต้องแปลกใจมากเกินไปแล้วก็รายละเอียดเกี่ยวกับวันเวลานะซึ่งตรงนี้เราก็ไม่ต้องไปหนักใจกับตรงนั้นนะท่านให้ให้ถือเอาแต่สาระที่สำคัญของเนื้อหาว่าท่านประสงค์จะบอกอะไรเราท่านอยากให้เรารู้อะไรส่วนวันเดือนปีนั้นนะนะนะท่านไม่ค่อยให้ความสาคัญมากมนัก อย่างเช่นในพระสูตรนั้นรวบรัดมาเหลือเอกังสมัยอย่างสับเดียวอาณาจะไม่ให้พยัญชนะมากมายเกินไปเนี่ยนะมันต้องการให้รับแต่สาระสิ่งที่เป็นแก่นแท้เป็นหลักเป็นประมาณในวงของพระปุษสะพุทธเจ้าองค์ที่18เนี่ยนะกล่าวว่าในมันดกับนั้นนั่นเองมันดกับตัวนี้แปลว่ากับที่มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นสองพระองค์ ในระหว่างที่พระศาสนาของพระพุทธเจ้าพระนามวติสสะผ่านไปหนึ่งพุทธันดรหนึ่งพุทธันดรก็เป็นอสงไขยปีเนี่ยนะซึ่งถ้านับโดยจำนวนปีแล้วก็ตัวเลขเนี่ยเลขศูนย์ห้อยท้ายเกินร4 0ตัวนนเกิน1้0ตัวนั่นแหละจึงจะมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นหนึ่งองค์ระยะเวลาที่ห่างขนาดนั้น หลังจากที่มนุษย์เนี่ยนะ เ, เจริญถึงที่ เ, เสื่อมลงมาถึงที่สุดเจริญถึงที่สุดแล้วลดลงมาในช่วงที่ลดลงมาก็ได้มีพระพุทธเจ้าพระนามว่าพุทษะผู้ยอดเยี่ยมอนุตโรนเนี่ยนะผู้ยอดเยี่ยมหมายค่ะว่าเยี่ยมในพระสรีรัขุนในยุคเดียวกันไม่มีผู้ใดล้ำเด่นงามเกินพระองค์ ในยุคเดียวกันไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนกับพระองค์ไม่ว่าจะเป็นรูปกายนะในการประสูตรเพราะการประสูตรของพระองค์เนี่ยหมื่นโลกธาตุวันไหวไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนกับพระองค์ในการทําความเพียรไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนกับพระองค์ในการตรัสรู้ไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนกับพระองค์ในการประกาศพระธรรมจักรไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนกับพระองค์ในการบําเพ็ญพุทธกิจทั้งหลายไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนกับพระองค์ในการ ปรินิพานหรือไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนในการจัดตั้งพระพุทธศาสนาเช่นกับพระองค์อั น, นในยุคเดียวกันเว้นแต่พระพุทธเจ้าด้วยกันเท่านั้นแล้วไม่มีผู้ใดเปรียบไม่มีผู้เสมอเหมือนเป็นผู้นำที่ล้ำเลิศของโลกพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นได้ทรงกำจัดความมืดทุกอย่างนะโดยเฉพาะความมืดคืออวิชชาปกปิด8แบบปรการหรือว่าอวิชชาสิ่งที่ทาลายวิชาความรู้ นนะตัวความมืดความโง่เขลาตรงกันข้ามกับปัญญาโดยประการทั้งปวงพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นได้ ส, สางรกชัดขนาดใหญ่รกชัดเป็นชื่อของตันหานี่นะเหมือนว่าใครที่ไปเที่ยวป่าทเที่ยวเขาหรือว่าเดินผ่พาพุ่มกอไผ่ที่มันหนาทึบรกชัดเนี่ยนะเรียก ว, ว่าป่าไผ่อย่างเดียวนี่ย ที่มันเกาะเกี่ยวประสานกันรกชัดผู้ใดจะแหวกเข้าไปนี่เป็นเรื่องยากฉันใดตันหาก็ฉันนั้นรกชัดอย่างนั้นพระองค์ก็ขจัดความมืดทุกอย่างสะสางรกชัดขจัดความมืดด้วยวิปัสนาสะสางรกชัดด้วยสมถะทั้งหลายพระองค์ก็เจริญทั้งสมถะและวิปัสนาเนี่ยนะจนได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเมื่อทรงยังโลกพร้อมทั้งเทวโลกให้อิ่ม นนะให้อิ่มด้วยอริยสัจธรรมให้อิ่มด้วยพระธรรมให้อิ่มด้วยมรรคผลนิพพานพระองค์หลังอมตะธรรมเทศนาให้ตกลงมามันเมื่อพระองค์หลังอมตะธรรมหลังอริยสัจธรรมเปิดเผยข้อปฏิบัติที่นําออกจากวัตทุกข์พุทธบริษัททั้งหลายเมื่อได้ฟังพระผู้มีพระภาคเจ้าประกาศพระธรรมจักร ในสมัยนักขัดตมงคนอภิสมัยการตรัสรู้ครั้งยิ่งใหญ่ครั้งที่1ได้มีแก่สัตว์ประมาณ8ล้านมีผู้ตรัสรู้เนี่ยแล้านอภิสมัยการตรัสรู้ครั้งยิ่งใหญ่ครั้งที่สองได้มีแก่สัตว์จํานวน9ล้านส่วนอภิสมัยการตรัสรู้ครั้งยิ่งใหญ่ครั้งที่3มีแก่สัตว์8ล้านพระบุตรสะพุทธเจ้าผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่พระองค์นั้นมีสันนิบาตการประชุมพระ สาวกขีนาศพผู้อรหันต์ไร้มนทินมีจิตสงบผู้คงที่สมครั้งด้วยกันครั้งแรกพระสาวกหล้านสันนิบาตครั้งที่สองห้ล้านครั้งที่สพระูอรหันต์ผู้หลุดพ้นไม่ยึดมั่นผู้ขาดปฏิสนธิอีกสี่ล้านคําว่าผู้อรหันต์คือผู้ตัดขาดปฏิสนธิหมายคว่าพระอรหันต์จุติเนี่ยนะผู้ที่ทําอรหัตตมรรคอรหัตตผลให้เกิดขึ้น เมื่ออรหัตตะมัคจิตเกิดขึ้นอรหัตตะผลกิตก็เกิดตามมาหลังจากนั้นมีปั จ, จเวหขณะยานผวังจิตหรือชวนาจิตวิถีจิตกระแสความคิดของพระอรหันต์ทั้งหลายก็ไหลไปเมื่อไหลไปจนถึงสิ้นอายุไขขาดการต่อสนธิแปลว่าการเชื่อมการต่อปฏิเฉพาะพระอรหันต์เนี่ยแปลว่าผู้ขาดการสืบต่อไปทอดสู่นรกเรียกว่าอะไรนะตัดสายสัมพันธ์ส่งไปนรกเหมือนน ตัดสายใหญ่ที่จะฉุดไปสู่นรกเปรตอสุรกายเดรฉานตัดสายใหญ่ที่จะนํามาเกิดในมนุษย์เกิดในครันเกิดในไข่เกิดใดเป็นเท่าใครหรือเกิดเป็นโอปปาติกะตัดสายสัมพันธ์ที่จะทําให้เกิดเป็นเทพเป็นมารเป็นพรหมเป็นต้นพระองค์ตัดสายสัมพันธ์ที่จะเชื่อมต่อในวัฏฏะโดยสิ้นเชิงดังั้นพระทหารทั้งหลายจึงชื่อว่าผู้ตัดขาดปฏิสนธิตัดการสืบต่อ อย่างปุถุชนทั้งหลายเนี่ยมันเป็นกลุ่มที่เพาะงอกง่ายเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ปลูกง่ายปลูกที่ไหนก็งอกหมดไม่น่าเชื่อปลูกในนรกก็งอกปลูกในเปรตก็งอกเดรัจฉานก็งอกพอปลูกที่น้ำครรำก็งอกน้ำเฉอะน้าแฉะที่รกงอกหมดเลยนนะเพราะที่ต้นสนก็งอกนะเพราะที่ป่าสนก็งอกป่าไหนก็งอกบอกว่างอกได้ยังไงบอถ้าเคยรู้จักต้นสนไอ้ต้นสนนี่มันสะเก็ดมันเยอะใช่ไห อุ้ยแมลงเยอะมากมันมีไอ้แมลงหนึ่งที่มันคล้ายๆกับเปลือกสนเองนะมันมีหลายประเภทมากมันถ้าถากเปลือกสนจะมีแมลงอยู่ในหลืบมากมายฉั้นปุตุชนเนี่ยเป็นกลุ่มที่เพาะงอกได้ทุกหนทุกแห่งทุกการทุกสถานที่นะเพราะเมื่อไหร่ก็งอกเพราะที่ไหนก็งอกอนะงอกแม้กระทั่งในผมเนีเป็นเหาเป็นเห็บเป็นอะไรทั้งหลายเนี่ยนะงอกทุกแห่งนะเนี เขบอกว่าอา้าวเพาะในพ่อในดวงตางอกไหมเขาบอกพวกพญาตบางพวกก็อยู่ในลูกตาอย่างเงี้ยนีมันเพาะงอกทุกแห่งหมดเลยเนี่ยปุตุชนงอกหมดทุกแห่งแม้กระทั่งเพาะเป็นนรกไปอสุรกายเดรัชันมนุษย์เทวดาพรหมงอกหมดเลยแต่พระหัสนี่เป็นพวกมเมล็ดพันธุ์ที่สิ้นเยื่อใหญ่สิ้นยางเหมือนมเมล็ดพันธุ์ที่คั่วเสร็จแล้วเลยเพาะไม่ขึ้นพระหัส น, นี่นะขีนังปุรนังนวังนตีสัมภวังเนี่ยเป็นผู้มีพืช เพื่อดคือพืชอหมายว่าเมล็ดพันธุ์ที่เอาไปเพาะปลูกอะ่ะถ้าหากว่าเอาเมล็ดขั่วเอาเมล็ดขั่วเมล็ดที่นึ่งให้มันสุกเต็มที่แล้วนะใช้ความร้อนให้มันนุ่งนึ่งจนสุกเต็มที่เนี่ยเอาไปเพาะตรงไหนงอกขึ้นบ้างฉันใดพผ้ารหารทั้งหลายก็ฉันนั้นแต่ว่าปุถุชนทั้งหลายก็คิดงั้นตายแล้วก็ศูนย์นะสินะปุถุชนทั้งหลายก็พร้อมที่จะเข้าใจผิดโดยประการทั้งปวงเองงั้นพผ้ารหัารตายก็ศูนย์สิ อะไรเป็นพธาตุหันรูปใช่ไหมเป็นพธาตุหันเวทนาใช่ไหมเป็นพธาตุหันสัญญาใช่ไหมเป็นพธาตุหันสังขารวิญญาณใช่ไหมเป็นพระอุหันผมใช่ไหมเป็นพธาตุหันเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกแล้วอะไรชื่อว่าอาตหันอันนี้แหละที่ต้องศึกษากันต่อไปจริงพระไตรปิฎกว่กตอบมากมายอยู่แล้วล่ะแต่ว่าเวลาในอันจำกัดอย่างเงี้เดี๋ยวไม่ได้เรื่องพุทธวงศว่า ง, งั้นบรรดาธาตุหันนั้นเป็นผู้ที่มีปฏิสนธิสิ้นแล้วอันนี้เป็น การประชุมสาวกสันนิบาตนะาการประชุมพาหันตสาวกนั้นมีสามครั้งพูดถึงพระโพธิสัตว์ของเราในชาตินั้นพระองค์เป็นกษัตริย์พระนามว่าพระเจ้าวิชิตตะหรือพระเจ้าวิชิตาวีพระเจ้าผู้วิชิตเนี่ยนะวิชิตก็คือพิชิตนะ่ะวิชิตก็คือผู้พิชิตนั่นเองเป็นผู้ได้รับแต่ชัยชนะไม่มีคาว่าพ่ายแพ้ปราชัย นะพระราชาผู้ชนะไม่ใช่ถูกปลดนะพระองค์เนี่ยเป็นผู้รับชัยชนะเสร็จแล้วในที่สุดพอทราบการอุบัติเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าพระองค์ก็สละราชสมบัติประนวดบวชในพระพุทธศาสนาสแสวงหาอริยทรัพย์คือพระองค์ก็เป็นผู้ที่เพียบพร้อมไปด้วยโภคทรัพย์ถึงที่สุดแห่งผู้มีโภคทรัพย์แล้วเนี่ยนะพระองค์ก็สแสวงหาทรัพย์ที่เป็นเรียกว่าทรัพย์ในภายหน้าว่ั้นแสวงหาทรัพย์ในภายหน้า ที่อีกหลายๆชาติเป็นทรัพย์เพื่อความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ออกบวชเพื่อจะเจริญอริยทรัพย์ในศาสนาของพระพุทธเจ้าพุทธะนะพระองค์จึงได้บวชเพื่อเอาทรัพย์คือศีลจากพระพุทธศาสนาเอาซัพย์คือศรัทธาให้เลื่อมใสมั่นคงใกล้ชิดพระพุทธเจ้ายิ่งขึ้นเนี่ยนะซับคือศรัทธาทรัพย์คือศีลทรัพย์คือฮิริโอตปา และที่สําคัญเมื่อบวชในคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วที่สําคัญได้ทรัพย์คือสุตะทรัพย์คือการฟังพระไตรปิฎกเรียนพระไตรปิฎกทรงจําคําสอนของพระธถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพราะองค์นั้นท่านก็จะได้มีซัพย์คือปัญญาปัญญาที่เป็นเหมือนกับแสงสว่างในการสร้างบารมีต่อไปในอนาคตเพราะอีก92กับนับแต่นั้นก็จะได้เป็น พระพุทธเจ้าวันผู้ที่จะเป็นพระพุทธเจ้าจําต้องมีปัญญามมากกว่าเก่าให้หนักแน่นยิ่งยิ่งขึ้นไปก็เลยบวชศึกษาเล่าเรียนปฏิบัติทำตามพระพุทธเจ้านะก็สละราชสมบัติบวชเลยพระพุทธะพุทธเจ้าผู้นําเลิศผู้นําชั้นเลิศของโลกพระองค์นั้นก็ได้พยากรณ์พระโพธิสัตว์ว่า912กับนักจากพัฒกัปนี้ไปท่านจะได้เป็นพระพุทธเจ้า พระตถาคตเจ้าพระองค์นั้นอย่าลืมนะตถาคตแปลว่าผู้เสด็จมาอย่างนั้นผู้เสด็จมาเช่นกับพระพุทธเจ้าทุกพระองค์พระพุทธเจ้าทุกพระองค์รวบรวมธรรมะสโมโอทานแล้วตั้งความปรารถนาะเป็นพระพุทธเจ้าสร้างบารมีสิบอุป ป, ปารมีสิบปรมาธาบารมีสิมหาบริจาค5อธิธานธรรมสจริย์สามพระองค์นั้นก็ออกมหาพิเนสกลมคําว่าพิเนสกลมเน้นว่าพระผู้ พระองค์ผู้เสด็จไปอย่างนั้นนั้นตทาคตแปลว่าผู้เสด็จไปอย่างนั้นไปอย่างไรก็ไปด้วยบวชทางภวรกายก่อนอ น, นะด้วยการทรงผ้ากาสาวพัดผ้าย้อมน้ำฝาดธงชัยแห่งพระรหารทั้งหลายแล้วพระองค์ก็ออกจากกรามด้วยเนคขมมะเนี่ยนะก็ด้วยจากกรุงกบิลพัดอันหน้าเรื่นรมแล้วก็ตั้งความเพียรทมทุกะกิริยา เพนะื่อเจริญเนคขมมะเพื่อเจริญอัพยาบาศเพื่อเจริญอโลกสัญญาเพื่อเจริญปราโมทเพื่อเจริญญาณนะเพื่อเจริญปีติเนะเพื่อเจริญปฐมฌานทุติยฌานตาติยฌานจตุทฌานอากาสาัญใจ ย, ยตนะวิญญาณัญใจ ย, ยตนะอากินจัญ ญ, ญายตนะและเนวสัญญาณนาะสัญ ญ, ญายตนะ นะเพื่อเจริญอันนี้านุปัสสนาทุขานุปัสสนาอนันตานุปัสสนานิพิธานุปัสสนาวิราขานุปัสสนานิโรธานุปัสสนาปฏินิสักขานุปัสสนานี่นะสุญญตอันนิมิตานุปัสสนาอภปณิหิตานุปัสสนาสุญญตานุปัสสนาเป็นต้นก็คือเจริญมหาวิปัสสนาทั้ง18เนี่ยนะก็คือเจริญทั้งสมถะและวิปัสสนาเคียงคู่กันไปในอิริยาบถยืนเดินนั่งและนอนตั้งความเพียรในการเจริญสมณธรรมเหล่านั้น หปีพระตถาคตเจ้าประทับนั่งณนโะคนต้นอาชปาลนิโครธทรงรับเข้ามาทุ ป, ปายาสณนะที่นั้นแล้วสเสด็จเข้าไปยังแม่น้ำเนรัญชราพระเชนเจ้าพระองค์นั้นเสวยเข้ามาทุปายาที่ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชราสเสด็จดําเนินไปตามทางอันดีที่เขาจัดแต่งเอาไว้ไปที่โคนต้นโรพพฤกษ คนเป็นต้นไม้เป็นที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ประตรัสรูคือพื้นที่เนี่ยเป็นพื้นที่ที่พระพุทธเจ้ากะกุสันทาก็ประทับตรัสรู้ณแหล่งเดียวกันพระพุทธเจ้าโกนาคมนะก็ตรัสรู้ในที่เดียวกันพระพุทธเจ้าของเราโคตมะก็ได้เสด็จไปดําเนินไปหนทางเพื่อสู่สถานที่โคนโพพิกจากนั้นพระผู้มีพระย์ยิ่งใหญ่ทําประทักษิณโพที่มันทสถานอันยอดเยี่ยม กำจัดมารและพลมารในตอนเรียกว่าวก่อนดวงอาทิตย์ตกดินประทมะช่วง โ, โพลเพลก็เจริญอาณาปานสติปรมมยามระลึกชาติได้มัชชิมยามรู้สัตว์เกิดสัตายปฉิมยามพิจารณาปฏิจจสมุบาทัท้งอนุโลมและปฏิโลมจนได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าณโคนโพรพฤกต้นไม้ที่ตรัสรู้ชื่อว่าอัศทธธะเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็บรเพ็์พุทธกิจเช่นกับพระพุทธเจ้าทั้งมวล พระโพพระพุทธเจ้าพระองค์นี้หรือผู้นี้นะพระราชาพระองค์นี้ที่ออกบวชเป็นพระภิกษุรูปหนึ่งที่จะตรัสรู้ต่อไปในอนาคตท่านนี้เนี่ยจะมีพระพุทธมารดาพระนามว่าพระนางมายาพระชนกพระนามว่าพระเจ้าสุโธธนะท่านผู้นี้จะมีพระนามว่าโคตมะจกมีอักขระสาวกชื่อว่าพระโกริตะ และอุปติสสะผู้ไม่มีอาสวะปราศจากราคะมีจิตสงบตั้งมั่นส่วนพระพุทธอุปถาผู้ที่คอยบำรุงพระชินะพระองค์นี้มีชื่อว่าอานันธพระองค์จักมีพระอัครสาวิกาชื่อว่าพระเขมาและพระอุบลวรนนาผู้ไม่มีอาสวะปราศจากราคะมีจิตสงบตั้งมั่นโพพฤกต้นไม้ที่ตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเรียกว่าต้นอสสถะ พระองค์จะมีอัคระอุปถากเชื่อว่าจิตตะและหัดถกะอลาวกะอัคราอุปถายาคาชื่อว่านันทมาตาและอุตราพระโคโดมผู้มียศพระองค์นั้นมีพระชนมายุร้อยปีทีนี้ฝ่ายเทวดาและมนุษย์ที่ฟังพุทธพจน์พระดํำรัสตรัสพยากรณ์ของพระพุทธเจ้าปุตรสะอย่างนี้แล้วเนี่ยนะซึ่งพระพุทธเจ้าผู้พยาการเนี่ยบางทีในคําพยาการนั้นต้องรู้ว่าใครพยาการใช่ อันนี้พระพุทธเจ้าพยากรณ์และคุณสมบัติของผู้พยากรณ์มีอะไรบ้างพระองค์เป็นผู้ไม่มีใครเสมอพระองค์ผู้สแสวงหาคุณที่ยิ่งใหญ่มันได้ฟังคําพูดของพระพุทธเจ้าผู้ไม่มีผู้ใดเสมอผู้สแสวงหาคุณธรรมอันยิ่งใหญ่ผู้ส่งไว้ซึ่งคุณธรรมอันยิ่งใหญ่วาจาที่เป็นพุทธพจน์ของพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นไม่มีความคลาดเคลื่อนมั่นคงแน่นอนประดุดก้อนหินที่โยนขึ้นไปในอากาศตกแน่ฉั้นใด อันพระ อ, องค์ตรัสพยากรณ์แน่นอนฉะนั้นก็เลยพากันปราบปลื้มใจว่าท่านผู้นี้เป็นหน่อผู้ทางคูลท่านผู้นี้มีบุญมีวาสนาจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตแน่นอนเพราะฉะนั้นในหมื่นโล ก, กธาตุพร้อมทั้งเทวโลกก็พากันโหร้องปรบมือโหรอ่ร่ำร่าเริงประกองอัญชลีนมัสการทําการโนอบน้อมพระโพธิสัตว์กล่าวว่า ถ้าหากว่าพวกเราพลาดจากพระศาสนาของพระโลกกนธาตพระผู้เป็นที่พึ่งของโลกพระองค์นี้คือพระพุทธเจ้าผุษะพระองค์นี้นะในอนาคตพวกเราก็จะอยู่ต่อนหน้าท่านผู้นี้แหละเราฟังพระดํารัตของพระองค์แล้วคือพระโพธิสัจเนี่ยนะแสดงว่าข้อความมันหายไปหน่อยหนึ่งปกติก็ต้องเปรียบเทียบอุปมาเหมือนเรือพลาดเรือท่านี้ก็รอท่าข้างหน้าต่อไปนั่นแหละ ฝ่ายพระโพธิสัตว์พอได้รับฟังพระนํำรัตของพระองค์แล้วก็ยิ่งเลื่อมใสจึงอธิฐานข้อวัดนะให้ยิ่งยวดขึ้นไปเพื่อบำเพ็ญบารมีสิให้บริบูรณ์ซึ่งว่ายิ่งได้รับพุทธพยากร์แล้วยิ่งภาคเพียรพยายามยิ่งมากไปด้วยความอุตสาหะวิริยะมีฉันทะอย่างแรงกล้าที่จะเจริญบารมีทั้ง10ประการ เพื่อจะให้ทานโดยไม่มีส่วนเหลือรักษาศีลโดยไม่อะไรในร่างกายและชีวิตเนะจริญเนคขมะสละเหมือนกับว่าคนที่เดินออกจากคุกที่ทรมานไม่อะไรอาวอนเหมือนกับว่าถูกขังคุกมืดแมดอึดอัดเต็มทีเนี่ยนะันใดต้องเจริญเนคขมมะฉันนั้นภาพเพียนสแสวงหาปัญญาเหมือนผู้หิวสแสวงหาอาหาร นะภาพเพียรด้วยวิริยะกล้าองอาจไม่เกรงขามในการเจริญกุศลเหมือนราชสีเ น, นนะเป็นผู้ที่มีขันติความอดทนประดุดแผ่นดินเป็นผู้ที่มีอธิษฐานมั่นคงประดุดแผ่นดินหรือภูเขาหินแท่งทึบเป็นผู้ที่มีเมตตาประดุดน้ํามีอุเบกขาประดุดแผ่นดินมีสัจจะประดุดดาวประกายพรึกเรียกว่า บ, บําเพ็ญบารมีทั้งสิบให้เต็มเปี่ยมและบริบูรณ์ยิ่งบําเพ็ญกวดขันให้หนักขึ้น เพราะฉะนั้นพระโพธิสัตว์จึงเล่าเรียนพระสูตรทรงพระวินัยและหนวังฆ่าสัตรศาสตร์คําสอนอันประกอบไปด้วยองค์9้าของพระพุทธเจ้าทุกประการอันนี้ทรงพระไตรปิฎกชาติที่เท่าไหร่สมัยพระพุทธเจ้าโกนทัญยะท่านก็สรงพระไตรปิฎกใช่ไหมสมัยพระพุทธเจ้าโกนทัญยะท่านก็ทรงพระไตรปิฎกคือทรงมาสมัยพระพุทธเจ้าพระองค์องค์ไหนอีกพระพุทธเจ้ามังคละท่านก็ทรงพระไตรปิฎก พระพุทธเจ้าสมเอะทะก็ทรงพระไตรปิฎกแล้วก็พระพุทธเจ้าพระองค์นี้ก็ทรงพระไตรปิฎกทรงพระไตรปิฎกคนแบบคนมีชาติเนี่ยนะไม่ใช่พระทรงพระไตรปิฎกโดยหมายคําว่าไม่ใช่กลุ่มบันทึกข้อมูลลงไปแค่อัดฉีดข้อมูลลงไปก็เหมือนกับว่าติดตั้งอักขระไว้ในในความคิดไม่ใช่ท่านเป็นกลุ่มที่ปฏิบัติได้ตามคําสอนเว้นแต่ไม่ได้บรรลุมรรคผลเท่านั้นเอง อันคาสอนที่พระพุทธเจ้าสอนท่านมีความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างดีและท่านก็ปฏิบัติในวิสุทธิ์ที่ทั้ง6ข้อเนี่ยนะวิสุทธิ์ทั้ง6ข้อได้เป็นอย่างดีนันก็เลยสา ม, มารถที่จะช่วยพระาศาสนาของพระพุทธเจ้าให้งดงามพระโพธิสัตว์นั้นอยู่ในพระาศาสนาในอิริยาบททั้ง4ี่โดยความไม่ประมาท เจริญพรวิหารภาวนาถึงฝั่งอภินยาหก็ไปสู่พรหมโลกส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับพระพุทธะพุทธเจ้าผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่พระองค์นั้นมีนครเป็นที่เกิดชื่อว่าเมืองกาสิ ก, กะพระพุทธบิดาพระเจ้าชยเสนพระชนนีพุทธมารดาพระนามว่าพระนางสิริมาพระองค์ครองคารวะวิสัยอยู่900าันปีมีปราสาทที่ยอดเยี่ยมสามหลังคือ ครุละหังสะสวนนะเ น, นี่ยนะแปลภาษาไทยว่าปราศาสตรครุดปราศาสตรหงเออปราศาสตรหังสะแล้วก็ปร า, าสาสตร์วนนะัดดาราก็คือดาราก็ดาวนะดาวทองปราสาทครุดปราสาสตร์หงปราสาสตดาวทองเหมือนนลุก ง, งามขนาดไหนนะสังขารทั้งหลายก็ไม่เลือแล้ว พระองค์มีสนมนารียหญิงรับใช้ฟ้อนรำขับร้องเป็นต้นประโคมสามหม่นสาพันนางอัครมเหสีพระนามว่าพระนางกีสาโคแต่มีพระโอรสของพระองค์ชื่อว่าพระอนันทะก็คือพระอานนนนะพระอนน์เป็นโอรสแต่คนละองค์นะพระผู้เป็นยอดบุรุษเห็นนิมิตสีออกอภินิสกรมออกบวชด้วยยานคือช้างบำเพ็ญเพียรเจ็ดวัน พระมหาวีระปุตตะพุทธเจ้าผู้นำเลืศดแห่งโลกผู้สูงสุดในหมู่นรชนอันท้ามหาพรมอาราธนาแลว้วประกาศพระธรรมจักณป่ามิกรทายวันนนะมิกรทายวันก็คือสถานที่ให้อภัยแก่พวกเนื้อพระปุตตะพุทธเจ้าผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่มีพระอัครสาวกชื่อว่าสุรคิดแล้วก็พระธรรมเสณอุปถาของพระองค์ชื่อว่าพระสพยะ มีอัคราสาวิกาพระจาราและอุปจาร า, านะจาราอุปจาราสีสุปจาราในน้องภาษาริบุตรของะองค์นั้นก็มีชื่อว่าจาราอุปจาราแล้วก็สีสุปจาราน้องสาวภาษาริบุตรที่ออกบวชเป็นพระอรหันต์นะนะโพพฤกต้นไม้ที่ตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเรียกว่าต้นอามาละกะต้นอะไรอาเมละกะ เรีว่าต้นมะขามป้อมมะขามป้อมอลมัลมกะต้นมะขามป้อมตองสัยใบดกนะขามป้อมตอนนี้ไม่น่านั่งเลยใบนี้เท่าใบใหญ่กับใบมะขามพอๆกับใบมะขามไม่ได้ร่มเหมือนมะขามอะไรหรอกแต่ว่าพระผู้สมัยพระพุทธเจ้าพระองค์นี้สงสัยร่มเงาใบสงสัยเย็นสบายนะพระองค์มีอัครอุปถักต์ผู้ชายชื่อว่าธนัญชยะหรือธนัญชยัยและวิสาขะ ส่วนอัคาราอุปัฏฐ า, า, า, ายิกาอุปถาผู้หญิงก็ชื่อว่าปฐมมาและเิรินาคาหรือเิเรนากันนะถ้ามหามุนีพระองค์นั้นสูง58ศอกพระองค์งดงามเหมือนดวงอาทิตย์เหมือนพระจันทร์เต็มดวงก็บอกว่าดูพระอาทิตย์ยามอุทัยขึ้นมาให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าวันพระจันทร์เต็มดวงก็สามารถที่จะหวนระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระองค์เนี่ยมีผวรกายสูงเด่นดูงามฉันนั้น ในยุคนั้นมนุษย์มีอายุ90 0 0หมื่นปีพระปุษสาพุพทธเจ้าพระองค์นั้นมีพระชนมายุยืนถึงเพียงนั้นท่านพระองค์ก็เลยมีเวลาที่จะช่วยให้คนเป็นอันมากข้ามโอคาหรือกะว่ามีเวลาให้แก่สัรพสัตมากคอยบ่มอินซีคอยอ น, นะบ่มศรัทธาให้ศรัทธาของเข้าที่อ่อนให้เจริญยิ่งขึ้น วิริยะที่น้อยก็ให้วิริยะมากขึ้นสติที่น้อยก็ให้สติมีกำลังยิ่งขึ้นจิตใจที่ฟุง้งซ่านไม่ตั้งมั่นก็มีโอกาสให้ตั้งมั่นปัญญาที่ไม่ข่มกล้าก็ให้ปัญญาข่มกล้ายิ่งยิ่งขึ้นไปเอาท่อนเหล็กมาฝนเป็นดาบนะกว่าจะฝนสำเร็จข่มกล้าก็ใช้เวลาหน่อยพระองค์ก็มีเวลาที่จะช่วยอบรมบ่อมอินรีให้แกพุทธบริษัทตรัสรู้ตามพระองค์ พระศาสดาพระองค์นั้นทรงสั่งสอนสั่งสอนที่เรียกว่าโอวาทานุสาสนีสอนทั้งโดยย่อโดยสังเขปโดยพิสดารทั้งโดยย่อโดยสังเขป พ, พิสดารมันโอวาที่พระองค์สอนสัตว์เป็นอันมากพระองค์ก็ยังหมู่ชนให้ข้ามโอคะ า, า น, นพระองค์นะทั้งพระสาวกที่มีประยศที่ไม่มีใครเปรียบถึงทรงคุณยิ่งใหญ่ขนาดนั้นก็ยังดับรอบ ดับรูปดับเวทนาดับสัญญาดับสังขารแล้วก็ดับวิญญาณเพราะสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเนอรูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งใดเป็นทุกสิ่งนั้นแหละเป็นอนัตตาแต่ว่าสาัตว์ทั้งหลายนี่ติดข้องเหลือเกินในรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเหมือนกับว่ารูปมันจะรักเราด้วยนะทั้งที่รูปก็ไม่เที่ยงไง แต่ก็ยังแอบหวังว่ารูปน่าจะเที่ยงนะสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์แม้มันน่าจะสุขบ้างนะอย่างไรก็ได้แต่สุขเวทนาไปแต่ไม่ได้สุขที่แท้จริงจากรูปอะไรหรอกพระศาสดาพระองค์นั้นเนี่ยนะพระศาสดาชินวรปุสะพุทธเจ้าพระองค์เสด็จดับขันธปรินิพานณนะพระวิหารเสนารามพระบรมสารีริกธาตุของพระองค์แผ่กระจายไปเป็นส่ว น, วนในประเทศนั้นๆตามจั ก, กรวาลต่างๆเป็นต้น